ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในข้างพุทธการท่านปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆท่านมนุษย์ปฏิบัติแบบสะเทินน้ํำสะเทินบกระเกียบตระกายไปตามโลกตามสงสารเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้จนศาสนาก็เลยถู ก, ถ, กถูกล่างให้กลายเป็นโลกไปหมดไม่มีศาสนาอย่างแท้จริงปรากฏภายในหัวใจของชาวพุทธเลย นี่เพราะอำนาจของโลกซึ่งมีประจําอยู่แล้วภายในใจิตใจเหยียบย่ําทําลายแม้แต่นักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติตั้งใจเข้ามาชํสาระตัดสา ร, รกิเลสยังกลายเป็นให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายไปโดยม่รู้สึกตัวและรู้สึกตัวก็เลยกลายเป็นเรื่องมีเจตนา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 ดูที่การฝืนฝืนกับกิเลสคือความชอบตามสบายแต่แล้วก็ขนทุกข์มาให้ตนเองอยู่เสมอนี่คือเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเสมอการปฏิบัติไปไม่ถึงไหนล้มละลายล้มละลายเพราะความอ่อนแอ ต, ตาม ก, าา ก, ก, ะะกิเลสลยกลายเป็นเรื่องกิเลสจุดลากไปทุกระยะแล้วกลายเป็นเรื่อง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 พอยแต่จะเหยียบย่ำทำลายสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ลดลงโดยลำดับลาดับจนถึงกับล้มละลายไปมีจำนวนมากในวงปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายมีแต่ชื่อว่ากรรมฐานแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายท่านอาจารย์มั่นอันนี้อันหนึ่งที่จะทำลายพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นและพระศาสนาจึงเป็นส่วนใหญ่ให ขาดลงไปลดลงคุณภาพลงไปเสียเล็กแต น, น้อยจนกระทั่งขาดสะบั้นไปเพราะความสําคัญเท่านั้นมีโรคเข้าไปแฝงถ้าอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรพระผพุทธท่านอาจารย์มั่นท่านเคยสอนอย่างไรบ้างและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นเราก็เคยได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่าน ซึ่งเป็นที่แน่นอนแน่ใจว่าไม่ผิดพลาดเลยท่านดําเนินอย่างไรและพวกเราดําเนินกันอย่างไรความสมุขําบัตความลําบากลาบนรวมอยู่กับท่านอาจารย์มัน่นท่านอาจารย์เสาในสมัยปัจจุบันใครจะลําบากลาบนยิ่งกว่าท่านทั้งสององค์นี้ไม่มีเราพูดได้อย่างเต็มปากกว่าจะได้อัดได้ทำมา อบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ทุกหลานได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้ถ่ายทอดมาเรื่อยๆรายเป็นครูเิณนอาจารย์ที่เคารพนับถือในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีจํานวนมากก็เพราะท่านต่างจิตต่างใจประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ท่านสอนด้วยความจริงใจจริงๆนี้จะค่อยๆล้อไปโดยลําดับ แต่ไม่มีสิ่งใดเหลือติดตัวมีเราวิตกมากเหลือเ ก, กินเยอะกับเรื่องสายท่านอาจารย์มั่นลูกศิษย์พระกรรมถ า, มานสายท่านอาจารย์มั่นนี่จะเอาไปขายกินจ่ายกินขายกินมีจานวนมากนี่เป็นการแสวงหาธรรมไหมไม่ใช่เป็นการแสวงหาธรรมเป็นเรื่องหาโลก ร, รมิดก็จะเจอตั้งแต่เรื่องของ โลกามนี้ซึ่งเป็นเรื่องโลกโลก่หาความแปลกประหลาดและอจจัศจรรย์และเป็นหลั ก, กจิตหลักใจเป็นที่ย อ, อุ่นแก่จิตใจตนไม่มีเลยมีแต่สิ่งภายนอกเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกับโลก ท, ทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจศาสนานั้นเลยใช้ไม่ได้นักประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเตานี้ไม่ควรจะสนใจสิ่งใดยิ่งกว่าอัตธรรมทำเป็นของประเสริฐทำให้ประเสริฐขึ้นที่ใจ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 แทนอันใดให้เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่านําเข้ามาเป็นข้อคิดข้อข้องใจอันเป็นเรื่องของจิตเลสที่จะมาขัดขวางทวงทําลงไปให้จมลงไปโดยลําดับลำดับหาทางก้าวหน้าไม่ได้ครูปฏิบัติทั้งหลายย่อมเป็นผู้ได้ ร, รับความลําบากลําบนแสนสาหัสมาโดยลําดับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดสาวกทั้งหลายมาถึงครูบาอาจารย์มีตั้งแต่ ท่านที่ได้รับความลําบากลาบนทั้งนั้นแม้ผู้ที่จะได้บรรลุธรรมอย่างง่ายๆก็มีจํานวนเล็กน้อยหนึ่งในร้อยก็ยังไม่ได้นีเราจะมาล้างมือเปิ้เพืเฉยใช้ได้ยังไงการปฏิบัติต้องฝืนกิเลสความฝืนความทุกข์ควา ม, วา ม, วามลําบากเพราะความภาคเพียรในการฝืนกิเลสนั้นเป็นการทําลายกิเลสเป็นการถอดถอนกิเลสเพื่อความสุขความสงหวังที่จะให้เกิด ทำขึ้นภานในใจสมกับว่าใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งอยู่แล้วท่านจัดกล่าวไว้เสมอว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปธรรมมีอยู่ตลอดการทำไมธรรมจึงไม่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุใดเพราะเราไม่แสแวงหาธรรมแสวงหาแต่ไม่ถูกก็มีมสแสวงแต่กิริยาความจริงใจไม่มีในธรรมก็ไม่เจอธรรม ทำ ม, มีอยู่ทั่วไปเรื่องของธรรมแต่ธรรมที่ไม่ปรากฏก็เพราะใจตึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่ธรรมนั้นไม่ยอมรับธรรมธรรมจะไม่ปรากฏภายในใจนี่เป็นสิ่งสำคัญ การเทศสอนหมู่สอนคณะมาก็เป็นเวลานานนับแต่ออกสังคมมานี้เกือบสามสิบปีแล้วทีกสอนแบบทุ่มเทกำลังทุกด้านทุกมุมไอหมู่เพื่อนฟังพอที่จะได้หลักได้เกณฑ์บ้างไม่ค่อยปรากฏแม้แต่มาอยู่ในสำนักนี้ก็ยังทำนุ่มรุ่มดนๆให้เห็นอยู่เพียงหยาบๆยาพูดแล้วไม่เข้าใจกันเราจะหาความละเอียดละอโดยถูกต้องได้อย่างไร ยังแต่กลิ่นยามยาบยังหาความถูกต้องไมล่ล่ะผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความจริงใจจงใจมีสติคอยจดจ่อฟังเสมอการประพฤติปฏิบัติติ่งใดต้องเต็มไปด้วยเจตนามีความจริงจังจ่อ ง, งานที่ชอบของตนอยู่เสมอนั่นแหละคือเป็นผู้มีความเขียนเพียนภายนอกเพียนภายในกระเทือนเข้าถึงใจดวงเดียวนี้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 เพราะการสั่งสมกิเลสเนี่ยมันก็มีเท่านั้นและอยู่ด้วยกันมากมันจะโลเลไปแล้วนะถ้ามากเข้ามากเข้ามองเห็นตั้งแต่พระเต็มวัดเต็มวาดแต่อาธธรรมที่มีจะแสงอยู่ภายในหัวใจของพระจะไม่มีสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมฐันตีธรรมไม่มีในใจแล้ว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 มรรคผลนิพพานขึ้นมาเราเห็นความเที่ยงตร ง, งที่ไหนในโลกธาตนี้เห็นไหมนั่นองค์นั้นตายไปองคนี้นตายไปคนนั้นตายไปคนนี้ตายไปเราจะอยู่ข้าฟ้าได้เหรือทำไมจึงไม่วิ่งเจิ้งฝนฝวายหาเชียอตั้งแต่บัดนี้เสียดายอะไรกิเลสพาคนให้วิเศษวิโสอย่างไรบ้างขึ้นจีวะกิเลสแล้วไม่ว่าตัวใด ต้องเป็นพิษเป็นภยัยเป็นเสนียเนลายตเจริตใจและมารยาทแห่งการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นการกีดขวางทำทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอที่จะทนุถนอมลืมเนื้อลืมตัวเราเคยลืมเนื้อลืมตัวกับกิเลสนี้มาเป็นเวลานานสลายเวลานี้จะปลุกจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้โทษรุ้ความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วจะได้แก้ไข ไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้หมดขิ้นลงไปกลายเป็นจิทตออจที่มีความสงบผองใสกลายเป็นจิตที่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาภายในตนจงกระทั่งถึงมีมุดหลุดพ้นพ้นที่ไหนถ้าไม่พ้นที่จิตซึ่งเป็นตัวถูกมัดด้วยกิเลสทั้งหลายเวลานี้เท่านั้นไม่มีที่หลุดพ้นอย่าคิดไปคาดไปให้เสียเวลาเวลาว่าหลุดพ้นที่โน่นหลุดพ้นที่นี่หลุดพ้นที่ใจใจเวลานี้เหมือนผู้ต้องหา ถูกกดขีบ่บังคับถูกมัดถูกปีอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆความโลภความโกรธความหลงราคาตันหาถูกมัดรัดลึงอยู่ภาณ ใ, ใจิตใจหาความอิสระได้ที่ไหนแม้แต่ขนาดหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจแก้ไขถอดถอนหรือปราบตามสิ่งที่เป็นค่าสุดนี้นี้ออกได้โดยลำดับแล้วจิตจะหาความสงบร่มเย็นและหาอิสระภายในตนเองไม่ได้้าเราเชื่อทำเราก็ต้องเชื่อว่ากิเลสว่า เป็นตัวเหตุก่อทุกข์ให้เราวันดังทำเนือเป็นตัวก่อหเหตุให้เกิดทุกข์เราด้วยมาตลอดตั้งกับตั้งกันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเชื่อธรรมเราต้องเชื่อว่ากิเลสนี้เป็นภัยดังพระพุทธเจ้าสอนไว้การพิจารณาก็ดีการทำความสงบใจก็ดีทาไม ถ, าถ้ามีสติกำกับอยู่กับใจใจจะสงบไม่ได้มีหรือ เป็นไปไม่ได้เราเชื่อแน่ถ้าลงสติได้กํากับกับใจแล้วใจยังจะฟุ้งซ่านําพานไปไหนได้อยู่แล้วไม่มีนอกจากกําหนดลงไปชั่วระยะแล้วก็ปล่อยให้จิตทะเให้ทะเลาะถ ล, ลายไปเพราะสติปราศจากตัวเองหายไปแล้วถุกจิตเดชเยียบย่าทําลายแล้วก็ตั้งไม่ได้สักครู่หนึ่งก็หายไปตั้งสักคู่นึงก็หายไป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 กำหนดอยู่เฉพาะงานที่ตนกําลังทานั้นด้วยปัจจุบันธรรมโดยความมีสติกํากับนักขาอยู่จิตถึงจะผาดโผนโถ้ดเต้นไปขนาดไหนก็พ้นอำนาจของสตินีไ้ไปไม่ได้จะต้องเข้าสู่ความสงบให้เห็นความเย็นใจขึ้นภายในเรียกว่าสมาธิธรรมนี่รูมูเเื่อนเราขวางตาอยู่ตลอด ไม่มีความจริงจังอะไรเลยเจ้าของก็ยังไม่รู้เจ้าของว่าไม่จริงไม่จังแต่คนอื่นมองดูทำไมรู้ในฐานะผมเป็นครูอาจารย์หมู่เพื่อนดูหมู่เพื่อนดูจริงๆเพราะเราเป็นผู้คอยแนะนำข้มสอนบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนมองเห็นชัดชดนอกจากขี้เกียจเตือนก็ไม่เตือนเพราะนั้นเอง <c oughs> ความจริงจังไม่มีหาทำคือความสงบเป็นต้นไม่ได้ความจริงจังในใจไม่งผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้จริงจังเอาจริงเอาจังทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีสติคอยกำกับรักษาเสมอไม่ว่าจะทำคิดนอกกันในมีสติมีสัมปัตยัญญะ อยู่ในนั้นยิ่งย้อนจิตเข้ามาสู่องค์ภาวนาด้วยแล้วไม่ให้มีงานใดอารมณ์ใดเข้ามายุ่งมาเกี่ยวมีแต่งานคือจิตตะภาวนาเท่านั้นอันเดียวจิตย่อมจะสงบได้ไม่สามารถที่จะพ้นอำนาจของสติปัญญานี้ไปได้ นี่อยากอันสำคัญเราเคยทำมาอย่างนี้พูด ถ, ถึงด้านปัญญาก็เหมือนกันถ้าลงปัญญาได้แทงทะลุไปตรงไหนแทงลงไปตรงไหนพิจารณาไปไปที่จุดใดยอมจะปรากฏความจริงขึ้นมาถ้าหากว่ามีสติแต่ปัญญากลายเป็นสัญญาไปเล่ๆ ล, ล, ล่อนๆออกนอกรูนอ ก, นอกทางไปเสียนั่นสิมันไม่เป็นปัญญาให้ มันเต็มไรด้วยความหิวโหยโหยกวนกวานในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นส่วนภายนอกซึ่งเคยเป็นมาเปนนานจนกลายเป็นนิสัยในขณะที่จะหักห้ามจิตใจเข้าสู่อัตถิธรรมก็กลายเป็นเรื่องของโลกของสงสารของที่เดชสังหาไปเสียหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่กิเลสของโลกเข้ามาเหยียบย่ทำทนลายเพราะอำนาจของที่เดชมันมีกําลังมากมันถุดไปลายรากปเสียความเพียรก็ไม่ปรากฏมีแต่เดินจอกหยอ ก, ยอก ทำเพียนพัติไม่มีได้ประโยชน์อะไรนั่งสมาธิก็เป็นสมาธิหัวต่อร่างกายแตตั้งอยู่นั้นแหละแต่จิตมันไม่อยู่โทรขี่เล็กชุดล่างไปนอกโลกนอกของสารที่ไหนก็ไม่รู้พอย้อนจิตเข้ามาถึงตัวก็มาคิดเอาเวลาเป็นมาเป็นผลหรือมาตัณฑิตเพี้ยนทำว่าทําไมทําขนาดนี้จึงไม่ได้ผล ก็ไม่ได้ทําเพื่อเอาผลแห่งธรรมเอาทําเพื่อผลผลอยู่ที่เรืต่างหากโดยหลักธรรมชาติของวันสุ้นแล้วจะปรากฏทําขึ้นมาได้อย่างไรนี่สิถึงทําให้ลิตกวิจารณ์คมู่เพื่อนหานะปฏิบัติไม่ได้ร่องได้รอยไม่เห็นความสงบลมเย็นไม่เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งที่สิกุวาอาจารย์ก็สอนเรื่องสมาธิก็สอนอย่าง เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิสอนปัญญาก็สอนเต็มภูมิจงกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นพูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมไม่ได้ด้นได้ดาวมาพูดพูดโดยพัมจริงจังภายในใจจริงๆเห็นไัมว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับภาบธรรมในแง่หนักเบาของธรรม ท่านต่างๆของธรรมจนกระทั่งถึงมิมุดหลุดพ้นอันเป็นธรรมประเสริฐถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้สัมผัสรับทราบเป็นผู้ยืนยันเป็นภาชนะอันเหมาะสมเท่าหลานไม่มีถ้าอยากจะทราบสมาธิธรรมที่ ท, ท่านสอนไว้ก็ให้ทําอย่างที่ว่านิ่ความสงบนั่นแหละจะเป็นพยานของใจเพราะจะเป็นขึ้นที่ใจปัญญาความเฉลียวฉลาดในการที่ทายดูเหตุดูผลสกลระกาย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 พยายามรักษาหมู่เพื่อนไม่ให้มีงานอะไรมายุ่งมาเกี่ยวนอกจากงานข้อวัดปฏิบัติที่เคยมีเป็นประจำวันเท่านั้นงานอื่นงานใดก็ไม่ให้ยุ่งเพื่อจะได้ประปรายความภาคเพลินให้เต็มเม่เต็มหมว่เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจของตนเราจรึงไม่ให้มีงานอะไรในภาในวัดเพราะเคยปฏิบัติมาแล้วว่างานทั้งหลายนั้น่ะมันเป็นข้าสึกต่อคิดต่ภาวนาแม้ท่านจะกล่าวว่า ทั้ามากัมมันตก็ตามงานส่วนหยาบนั้นแต่มันกลายเป็นมิจฉากัมมันโตสำหรับจิตนักกิตตะพวนหนักเป็นทนั้นสร้างนี้ ย, นนยุ่งนั้นยุ่งนี้นั่นแหละมันทำลายทําจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายเสียเวล่ำเวลาไปวันนั้นเล็กะน้อยจนกระทั่งทําลายจิตใจคือความสงบร่มเย็นนี้ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่างานมัดหยาบทําลายมรมรละเอียดหรือค่ามักละเอียด ให้หมดไปบากอยาง ก, ก็คือการทำนั้นทำนี่ภายนอกเกี่ยวกับด้านวัตถุเก็มาทำลายด้านนามาธรรมคือจิตตภาวนาของเราให้เสื่อมไปโดยลำดับบรรดาจนกระทั่งหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เราเคยเห็นโทษมาแล้วถึงไม่ส่งเสริมในการก่อสร้างนั้นตร้างนี้ซึ่งหายเหตุผลมาน่าจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลเตนความจาเป็นที่ควรทำจริงถึงไม่ทา ทำก็ทำด้วยความกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้โดยจะพอจะพะไม่ให้เลยเกิดเลยเหตุเลยผลมีเราพยายามเสมอรักษาหมู่เคื่อนแต่เรื่องจิตตภาวนานี้ขาดตกบกพร่องไม่ได้อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะจะตุปัจจทั้งสี่นั่นขาดไปเป็นของธรรมดาแม้แต่ชาโลกเขาหาได้เขาก็ยังมีขาดตกบกพร่องทำไมเราเป็น ผู้ไปขอทานเขากินจะไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะไมมีขาดตัวบทคล่องได้เป็นไปได้เหรอเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังทุกขังอัตาหาความสม่ำเสมอไม่ได้เราจะสม่ําเสมอไปได้อย่างไงในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่เราจะมาคิดให้เป็นกังวลนอกจากจะทำละสิ่งที่มันก่อความกังวลให้เราอยู่ภายในใจนี้ให้ หมดไปหมดไปโดยลําดับเท่านั้นในเรื่องของพระมีเท่านี้อย่าคิดเรื่องใดให้เสียเว ล, เวลาโลกนี้เราได้เคยผ่านมานานกี่ปีกี่เดือนนะับตั้งแต่วันเกิดมาจากกนกระทั่งบวชมาถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยได้ผ่านมาแล้วทางหูทางตาทางจมูกทางเลี้นทางกายตลอดทางใจตีคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ได้ผลไม่ประโยชน์อะไรทําไมจึงไม่นํามาเทียบเทียง ความหนักเบาได้เสียของกันและกันระหว่างเรากับความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นที <S <S นี้เราจะทุ่มเทจิตจังเราเพื่อสุขสูขธรรมอย่างแท้จริงทำไมมันจึงถอยหลังมันถึงจะไปไม่รอดนี่เป็นเรื่องของกิเลส จ, จะหลอกเรานะมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นแต่ที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะก่เดส ทับถมอยู่จนมองหาจิตไม่เจอแล้วจะเอามาผลิทานมาจากไหนถทำมาสร้างปันหันแหลกกันลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชียออย่างเอาชิงเอาจังฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นความอระจรย์าภายในจิตแล้วเราจะไม่เห็นคําว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปจะมาปรากฏที่ไหนก็ไม่ไม่รู้ครั้งๆจิตธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจรู้ขึ้นที่ใจรับทราบที่ใจยืนยันกันได้ที่ใจ ตั้งแต่สมาธิธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหือไปจากใจจะเป็นผู้รับทราบเป็นภาชนะเป็นเจ้าของถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปไม่ได้ไม่นอกเหือไปจากใจนี่เลยทําให้จริงให้จริงค่ยอยๆลรอไปโดยลําดับลําดับเลยจะไม่มีใครสืบทอดข้อววัดปฏิบัติทั้งภายนอกทั้งภายใน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 ภูมิอัดภูมิทไม่มีเรื่องเพราวัดปฏิบัติเขค่อยสื่อจางไปสื่อจางไปเลยกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่เสียงานทั้งหลายก็เลยกลายเป็นงานของโลกไปเสียน่นเสียไปใหญ่ละที้หาทางยับยั้งไม่ได้อันนี้นิตกมากกับหมูขื่นเราจรึงได้พูดแล้วพูนเล่าย้ำแล้ ว, ลวย้ำย้ำเล่าอยู่เสมอในเรื่องเหล่านี้เพราะเรา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 เมื่อถึงความประเสิฐสุดแล้วอะไรเสียดายอะไรมันฉลัดออกหมดเพราะไม่มีอะไรเยี่ยมยิ่งกว่านั้นนั่นแต่พูดแล้วเขายังจะเสียดายอยู่หรือปัาช้าอันนี้ที่เลื่องาให้สร้างป่าช้าพากันเข้าใจหรื อ, อยังเกิดเจะเจ็บตายเราเคยเป็นมาจะเข้าใจแล้วไม่เบื่อไม่อินฉาละอาใจเหรอความเกิดเจ็บตายก็คือเรื่องความหมุนไปด้วยความทุกข์ ความทรมานตลอดไปนั่นเองความพ้นเสียจากคกวามโกรเจจา ก, กตายเพราะจิตบุพ้นนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกแล้วนิจฉาโตไปนิบุโตจังหวดับสนิทบรรดาข้าของเกิดเวลาความเจรพยาที่ความเจยบมาหน้าความตายครบน้อยครบใหญ่ดับไปหมดนีงเรียกว่านิจฉาโตไปนิบุโตนับที่ใจเมียใจดวงนีเมีกิเลสเท่านั้นที่เป็นเครื่องยู่แยก่ก่อควาลึก ทับผมโจมตีจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟอียาบด ท, ทั้งสี่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ใช่เป็นฟืนเป็นไฟเพราะทํามาเผาขลานแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเผาขลานจิตใจเมื่อชำาะกิเลสท่านยาบคือความฟุ่งฟ่านลาพานไปได้จิตก็สงบนี่เราก็พอเห็นคุณค่าของธรรมคือความสงบและเห็นโทษของกิเลสตัวยุ่งเหิงวุ่นวายไปโดยลําดับแล้วนี่ แก้เข้าไปแก้เข้าไปนี่เลยค่อยหมดไปหมดไปความสะดวกสบายของใจค่อยปรากฏขึ้นมาโดยลําดับเอาจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยอะไรที่นี่จะมาดูแยกก่ก่อควนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเองม็ดเมดเท่าเม็ดหินเม็ดทร า, ายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่จะมาดูแยกก่ก่อควนไม่มีแล้วอะไรจะมาก่อกวน เมตตาจิตล้วนแล้วก็เป็นธรรมทั้งแท่งก็ทราบได้ทััดทิ้งร้อยทั้งร้อยไม่สงสัยมาอ๋อไอเรื่องจิตนี่ยุ่งเหยิ ง, ย ง, ยงวุ่นวายมาตั้งแต่ขั้นนั้นจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดเมืตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ยุ่ยหย่ต่อควรเมื่อกิเลสสิ้นสุดคิดหายวายพัวงลงไปหมดเพราะอํานาจแห่งตปะธรรมมีสติ ป, ปัญญาเป็นเครื่องแผละเาแล้วมันก็เหมือนบ้านร้าง ือบ้านร้างคือยังไงแล้วบ้านน้างหากมีคนอยู่นั่นฟังสิเหมือนบ้านร้างเงียบเลยนั่นภายในจิตนั่นเงียบไม่มีอะไรแสดงความคลึกความขนองความวิ่งเต้นเพ่งกระโดดความเหลวไหลโรเลความยุ่ยแย่ก่อควรขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนั่นละ่ะเหมือนกับว่าบ้านร้าง ทั้งๆ ท, ที่คนมีอยู่บ้านนั้นแต่มองเห็นคนมีอยู่ในบ้านนั้นคืออะไรก็มีแต่ขันดิดยุบๆตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเห็นแต่ขันเท่านั้นกิเลสตัวสำคัญที่นำขันไปใช้เป็นเครื่องมือนั้นตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ขันซึ่งไม่มีความหมายอันใดเลย เพาะไม่มีเจ้าของคือกิเลสเป็นตัวการเนื่องจากขันนี่เป็นสมมุติกิเลส ก, ก็เป็นสมมุติประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสดับลงไปแล้วขันก็หมดความบังคับของกิเลส ก, ก็เหลือตั้งแต่อาการที่คิดไปปรุงไปปรุงมาจาไา้หมายรู้ธรรมดาเท่านั้นนี่เรียกว่า บ้านร้างจะมีคนหลักใหญ่ก็คือจิตบ้านร้างแต่จิตรู้รู้ล้วนร้วนรู้ไม่มีอะไรรู้แย่ต่อควนรู้ไม่มีพิษมีภัยรู้ด้วยคำบริสุทธิ์ล้วนล้วนขันก็เป็นขันบริสุทธิ์ล้วนล้วนเพราะไม่มีที่เหลือเข้าไปเชือแฝงนั่นแหละที่ว่าบ้านร้าง พักมีคนอยู่เป็นหนังถ้าไม่ล้างจะยังไงทิ่อาการของขันทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยคิษ ด, ด้วยไทยพราะีิเดตเป็นผู้บงการ้ช้ออกมาความคลึกขนองความรุ่งเหยงิงวุ่นวายราคะตัาหาความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดออกมาจากขันทั้งนั้นเป็นเครื่องมือเงินหมด ตัวการสาคัญแล้วขันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเวทนาก็มีจะมีภายในร่างกายเท่านั้นภายในจิตใจไม่มีจะเป็นทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีมีอยู่ภายในภายในขันนี้เท่านั้นไม่มีภายในจิตนับตั้งแต่ ขณะที่กิเลดได้ขาดลอยหลุดลอยออกไปจากใจทุกเวทนาต่างๆเด่งไม่มีในจิตของท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากสมะมุขโดยประการทั้งปวงผมนี่แต่เวทนาในขันรูปประขันก็เพียงทรงตัวอยู่ตามสภาพของมันเวทนาขันทุกทุกได้เฉยที่เป็นไปตามร่างกายมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันก็ไม่มีคิดมีไพรายรต่อจิตใจ พันยากับเพียงจาได้หมายรู้ยี่เยี่ยเยี่ยบไปตามธรรมดาของมันพอถึงการแล้วมันก็สลายไปตามเรื่องของมันจิตขึ้นเป็นธรรมชาติที่บริสุท ธ, ธิ์พุทธะเต็มดวงอยู่แล้วจะมีอะไรหวั่นไหวกับเรื่องทุขเวทนาเหล่านี้ที่มาที่ปรากฏขึ้นในดินธรรมชาติของขันนี้หรือไม่มีนั่นการดับทุกข์ดับที่นี่ เมื่อสมุทัยคือกิเลสไม่มีครองหัวใจไม่มีมาบีบบังคับจิตใจแล้วแสนอิสระทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็เห็นไในชัดชัดอยู่ไหนก็อยู่สบายเป็นอิสระตลอดเวลาอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาียาบทเลยเรียกว่าอาการิโกแทงกิเลสดับไปเท่านั้นถึงท่านหลายก็จนความปกติของตนไปหมดรูปก็ ปกติตามหลักธรรมชาติของเขาเจทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ปกติเพราไม่มีเข้าใครเข้าประยึดไปถือสําคัญมั่นหมายจิตก็บริสุทธิ์รู้เท่าทันอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เป็นไปเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะการเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหากมีกับเพียงความรับผิดชอบภายในร่างกายของตนแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นต้นมาถึงการที่จะสลายแล้วถลายลงไปเพราะเรียนรู้หมดแล้วเราคอยดูตั้งแต่มันจะแตกจะดับไปท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือยานความรู้แจ้งเห็นจริงภายใ น, ยในใจิตใจนี้ไปได้เลยขาติดบูขาชร า, าบูขามรนามคืดูขังเวลาจะเกิด เ, เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ ถ้าเป็นธรรมนาสามันทั่วไปแล้วเป็นทุกข์จริงๆเนือดร้อนวุ่นวายและสัมและสายร่างกายเป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาตามๆกันใยกลายเป็นโรคสองชั้นโรคทางกายก็เสียดแทงเข้าไปสู่จิตโรคทางจิตก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนอนี่เรื่องสามันชนเราเป็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์ท่านไม่เป็น ชราปิตุขาท่านกษัราบเรื่องของขันเสียมานำปิตุขังขนาด จ, จะตายท่านกษัราบว่ามันแสดงเวทนาเต็มที่ทุกเวทนาเป็นนั่นแหละท่านกษัตราบเสียแต่ท่านไม่เป็นทุกข์ใจท่านคาว่าทุกข์ักด์แต่ว่าที่มีอยู่ภายในขันหมดกําลังของมันที่จะจุดต่อต่อไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามสภาพเดิม ธาตุไหนก็ไปเป็นธาตุนั้นธาตุดินธาตุน้าาําธาตุลมธาตุไฟแลร์ไลงไปสู่ธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่กิตที่บริสุทธิ์หยุดพ้นไปแล้วก็ไม่มีความเยื่อใยอะไรทั้งนั้นนั่นความเป็นอิสระนั่นคือผลแห่งความเพียรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลําบากในการสะเกียรตะกายต่อสู้กับขี้เหลืตัญหาอาสวะผลเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียนจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นข้อรําคาญต่อสู้กันเพื่อชัยชนะเออนักมวยเขาต่อสู้คนบนเวทีเขาไปคิดหนาละอาใจในธรรมเมื่อหิวอ่อนเสียความเจ็บความปวดได้อย่างไงเขาไม่คิดนี้จะเอาให้ชนะท่าเดียวเท่านั้นถ้าว่ามาคํานึงถึงเรื่องความ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 เรามีใครบ้างสลบความเพียงทั้งหลายินาสิอมาเทียสิท่านครูเป็นครูเป็นศาสดาสอนโลกสอนทำให้แก่พวกเราได้กราบไหว้บูช า, าแล้วก็คือปฏิบัติอยเวลานี้ท่านสลบถึงสามโหนท่านลําบากหรือไม่ลําบากการต่อสู้กับกิเลส ย, ยากขนาดไหนถ้ า, าสามวก็เหมือนกันต่างองค์ต่างลําบากลําบนเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แจ้ายากกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมาก เกินกว่าสติปัญญาของคนธรรมดาจะสู้ได้จะรู้ได้ในบรรดากลมายาของกิเลสนอกจากทำสติทำปัญญารรมโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นเราจึงจะทราบกลยาทธของกิเลสได้เป็นลําดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมีความละเอียดลอขนาดไหนสติปัญญาละเอียดลอไปตามกันตามกันทันลาดฟันทันแหลกกันไปทุกระยะระยะระยะไปที่ไหนมีแต่ ต่อสู้กับกิเลสค่ากิเลสเดินจงกลมอยู่กับค่าวกิเลสนี้เป็นตัวสัตว์ตับุคคลนละจะตายเกลื่อนดุจช่างทางจงกลมเต็มไปหมดที่นั่งที่นอนหมอนมุง้งที่ปกปิดฐานการวิญทบาทจะเต็มไปด้วยกิเลสตายไปหมดนั่นแหละความเพียรของท่านผู้ค่ากิเลสให้ชีหายท่านมีสติของท่านท้านมีปัญญาภาดปันหันแหลกกันอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนก็มีแต่การภาดฟันกิเลสเบญทบาท เอาข้าวเขามากินท่านก็จักแต่ว่าถือเป็นกิริยาที่ไปตามข้อวัตรปฏิบัติเท่านั้นแต่หลักใหญ่คือความเพียรท่านไม่ลดละเดินไปไหนท่านมีตั้งแต่ความเพียรสติปัญญาเป็นเพื่อนสองอยู่ตลอดทําไมจะไม่พกกิเลสแะเหยีขนาดไหนก็ตามกันได้พ้นกันขึ้นมาฆ่าจนได้เส้นแลหลกทะเยอทะงานหัมหาสติมหาปัญญาให้เรียนมาตั้งแต่ในตำลับําราท่้นเหรออันนั้นเป็นชื่อของมหาสติมหาปัญญา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 มซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันกับพุทธธรรมสงนั้นเมื่อเรายอมรับที่นี่เราก็ต้องยอมรับพุทธธรรมสง์ที่สั้นแสดงออกมาเป็นกิริยานั้นแต่ความจริงของธรรมชาติพุทธธรรมสงแล้วจะเหมือน ก, นกันกับความรู้เทเบริสุทธิ์ซึ่งเรารู้เราเห็นเราทรงไว้อยู่เวลานี้ไม่ผิดกันแม้แต่นิดเดียวเลยนี่นะพระพุทธเจ้าท่านนี้อยู่ที่นี่ เ, เรพราะทานดาวพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะ่ะอยู่ที่นี่